ในเรามาปฏิบัติสมาธิในท่านั่งขอให้ทุกท่านกำหนดสติรู้จิตของตนเองความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ตรงนั้นให้กำหนดสติรู้ที่ตรงนั้น <c oughs> เราได้ปฏิบัติตนเราได้ปฏิญญาณตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเต็นสรระที่ขึ้นที่ระลึกพระพุทธเจ้าตามความรู้สึกโดยทั่วไปหมายถึงองค์ชายสิท ธ, ธัตถะ ที่เสด็จออกบัพพชาทรงบำเพ็ญสมาธิภาวนาได้สำเร็จเป็นกระสมาสัมพุทธเจา้าในเมื่อว่าโดยรูปธรรมก็ได้แก่สกลากายของพระพุทธองค์ว่าโดยคุณธรรม เจอความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีที่มีอยู่ในจิตของเราซึ่งทุกๆคนก็มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีแม้แต่วันนี้เรามาประชุมนั่งสมาธิกัน <c oughs> อาศัยพุทธธรรมคือความรู้สึกสำนึกกิดชอบชั่วทีเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจดังนั้นท่านผู้ใดมีความรู้สึกสำนึกกิดชอบชั่วทีอยู่ในใจตลอดเวลาผู้นั้นได้ชื่อว่ามีคุ ณ, ณธรรมที่ทําจิตให้เป็นพุทธ บางครั้งเราภาวนาพุทโธพุทโธคำว่าพุทโธเป็นคำพูดเป็นภาษาแต่เมื่อคุ ณ, ณธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตก็หมายถึงความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีนั้นเองอันนั้นคือคุ ณ, ณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธ อันนี้คนเรามีกันอยู่ทุกคนตั้งแต่เกิดมาแต่ว่าเจตพุทธะลำพังแต่ความรู้สึกสำนึกผิดชอบทั่วดียังมั่นคงไม่เพียงพอเราจึงมาตั้งใจที่จะปฏิบัติสมาธิภาวนา ให้จิตของเราเปลี่ยนสภาพจากความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีเป็นหยุดนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเมื่อทําได้เช่นนั้นพระพุทธเจ้าได้ปรากฏขึ้นในจิตของเราอย่างเด่นชัดเพราะงั้นเราจะค้นหาพระพุทธเจ้าต้องค้นในจิตของเราเอง เมื่อเรามาอาศัยหลักและวิธีการปฏิบัติสมาธิภาวนาเมื่อจิตสงบนิ่งลงสว่างรู้ตื่นเบิกบานบางทีมีปิติมีความสุขกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบความรู้สึก รเตืนเบิกบานเป็นคุ ณ, ณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธเมื่อเราเกิดกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีปีติบางครั้งขนหัวลุกทูชันบางครั้งก็รู้สึกซาบซ่านไปทั่วร่างกายบางทีก็ทำให้รู้สึกตัวสั่นตัวยโยกตัวโครง ถ้าผู้มีสติแรงอาจจะล้มนอนลงไปอย่างสบายกว่าใดอันนั้นเป็นอิทธิพลของพุท ธ, ธที่บังเกิดขึ้นในจิตแล้วแสดงออกมาทางกายเพราะปีติและความสุขเกิดที่กายถ้าไม่มีกายเราก็ไม่รู้สึกว่าเรามีสุขมีทุกข์ อันนี้คือพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อเราปฏิบัติได้อย่างนี้เริ่มต้นแต่มีความรู้สึกสำนึกกิจชอบชั่วดีจิตจดหนึ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเป็นคุ ณ, ณธรรมที่ทำให้จิตเป็นพุทธเมื่อท่านผู้ใดสามารถสรงไว้ซึ่งคุ ณ, ณธรรมอันนี้ แม้ชั่วขณะจิตหนึ่งหรือนานๆก็ตามก็ได้ชื่อว่าทรงไว้ซึ่งพระธรรมคคอทรงไว้ซึ่งพระธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธะนั่นเองที่นี่ตามธรรมชาติของผู้ที่มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีจิตนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบาน ท่านคนนั้นจะต้องมีเจตนามตั้งมั่นว่าเราจะละความชั่วประพฤตความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมออันนี้เป็นกิริยาที่มีคุ ณ, ณธรรมที่ทำจิตให้เป็นประสงค์เกิดขึ้นในจิตของเรา พระนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีคือคุณนัธรรมทีนี้เมื่อเราได้บรรลุถึงจุดที่เรียกว่าทำจิตให้เป็นพุทธเมื่อเราจะปฏิบัติจิตของเราให้เป็นไปตามคำนองคำสอนของสมเด็จพระสรมา马ธมพุทธเจ้า เราจึงมาถัสสมาทานศีลห้าขอ้อการปฏิบัติธรรมสำคัญอยู่ที่ความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อย่างต่ำคือศีลห้าผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในระดับความเป็นคฤหัส ตั้งใจปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของศีลห้าขอ้อสะดวกสบายดีกว่านักบุตรเพราะว่าภาระกังวลที่จะต้องสังบรลระวังมันน้อยกว่ากันเพียงแต่เราจดหลักว่าพราะพุทธเจ้าข้าไม่เป็นเราไม่ข้า พระพุทธเจ้าลักขโมยไม่เป็นเราไม่ลักขโมยพระพุทธเจ้าช่อโกงไม่เป็นเราไม่ช่อไม่โกงพระพุทธเจ้าไม่ละเมิดสิทธิประเวณีของใครต่อใครเราก็ไม่ละเมิดประเวณีของท่านผู้อื่นพระพุทธเจ้า ไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอบเสียโยุยงให้แตกสามัคคีไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลและไม่โกหกเราก็ปฏิบัติตามอย่างของท่านพระพุทธเจ้าไม่ดื่มน้ำดองของเมา หรือวัตถุที่เต้นที่ตั้งแห่งความเมาหรือความเมามัวเมาอันเป็นทางแห่งความประมาทเมื่อพระพุทธเจ้าไม่ทำเช่นนั้นเราก็ไม่ทาเรายึดหลักศีลห้าเป็นหลักปฏิบัติเพื่อกระจัดสิ่งที่เราจะคึงทำตามอำนาจของกิเลส ในขั้นต้นเราจะต้องอาศัยความอดทนและสัจจะความจริงใจเ <c oughs> <c oughs> มื่อเราอาศัยความอดทนสัจจะความจริงใจอดทนต่อสิ่งที่จะเป็นเหตุให้เราละเมิดล่วงเกินศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งตั้งใจให้แน่วแน่ว่าเราจะ พรเว้นโทษตามกฎเกณฑ์ของศีนห้าด้วยความจริงใจเราอาใช้หลักสองประการนี้แล้วทั้งใจประพฤติปฏิบัติไปจนกระทั่งเรารู้สึกคล่องตัวชำนิชำนาญต่อการงดเว้นเมื่อเรามีการงดเว้นไม่ทำอะไรตาม คำบงการอำนาจบงการของกิเลสโลกโกรธหลงก็ได้ชื่อว่าตัดกรรมตัดเวรตัดผลเพิรรม่รรมของบาป <c oughs> แม่โลกโกรธหลงจะมีอยู่ในใจใจของเราเราก็พยายามใช้ให้ให้มันเกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรม คือเอาศีลห้ามาเป็นขอบเขตเป็นเส้นขนานของการใช้กิเลสให้ถูกต้องเมื่อเราใช้เ ม, เมื่อเราใช้กิเลสทำประโยชน์ในทางที่ถูกที่ควรโดยเอาศีลห้าเป็นหลักประกันความปลอดภัยเมื่อเราปฏิบัติจนคล่องตัวทำนิ้ํำนาญเราจะรู้สึกว่าเบาสบาย จะรู้สึกว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะงดเป็นสิ่งใดๆแต่เพราะอาศัยความคล่องตัวอันนั้นจิตของเราจะงดเป็นเองโดยอัตโนมัติเมื่อเรามีศีลห้าบริสุทธิ์บริพูนแม้เราจะทำสมาธิภาวนายังไม่เป็นก็ได้เื่อว่าตัดบาปตัดกรรมให้หมดสิ้นไปแล้ว เมื่อเรามีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์กายของเราก็สงบคือสงบก า, กาจากการทำบาปวาจาของเราก็สงบคือสงบในการพูดในทางที่เป็นบาปแม่จิตของเรายังคิดที่จะทำบาปแต่เราไม่ละเมิดล่วงเกินศีลห้าบาปกรรมอะไรก็ไม่เกิดขึ้น เมื่อเรามีคุณงามความดีพอกพูนมากขึ้นมากขึ้นกําลังของศีลมีพลังแก่กล้าขึ้นกลายเป็นปกติวาจาเป็นปกติก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งนุนให้จิตใจของเราเกิดความเป็นปกติเมื่อความปกติเริ่มเกิดขึ้นที่ใจของเรา ความคิดจะค่าเบียดเปลี่ยนกลมเหงรังแกมันก็น้อยลงหรือหมดไปไม่มีเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ประกันความปลอดภัยของเราได้ว่าเราจะไม่ต้องตกนรกแต่เพื่อที่จะให้จิตของเรามีความมั่นคงต่อการที่จะละบาปกรรมตามกฎของสินห้า เราจึงจำเป็นจะต้องปฏิบัติสมาธิเพื่อสร้างพลังจิตให้มีความมั่นคงต่อการที่จะละความบาปนั้นๆการทำสมาธิ <c oughs> ถ้าท่านจะนึกถามในใจว่าการทำสมาธิทำอย่างไร ก็จะได้คำตอบว่าการทำสมาธิคือการทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้สติมีสิ่งะระลึกจะเป็นอะไรก็ได้ถ้าพระท่านผู้ใดยังภาวนาไม่เป็นหรือไม่เคยภาวนาเลยถ้าจะตั้งใจปฏิบัติสมาธิด้วยความจริงใจ แม้จะเพียงท่องพุทโธเอาไว้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจแม้ยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำเราท่องพุทโธไว้ได้ตลอดเวลาการท่องพุทโธเนี่ยท่องเหมือนเหมือนกับเราท่องเล่นเล่นไม่ต้องการผลตอบแทนใดๆแต่เราท่องไม่หยุด และเราก็ไม่บังคับจิตให้เกิดมีสมาธิเป็นแต่เพียงตั้งสติกำหนดจิตท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธเอาไว้ตลอดเวลาท่องอย่างนกแก้วนกขุนทองไปก่อนแม้ว่าใครจะว่าเราปฏิบัติไม่รู้เหตุรู้ผลก็ตาม ถ้าหากว่าเราท่องต่อเนื่องกันทุกขณะจิตทุกลมหายใจที่เราตื่นอยู่เมื่อเราท่องไม่หยุดสมาธิเคยจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานจะบังเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติผู้ท่องผูท้ทูตอย่างคาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นในขณะที่เราปฏิบัติ นอกจากการท่องพุทโธก็ยังมีสัมมาละหังยบหนอพองหนอเมื่อใครจะท่องบทใจก็ให้ทั้งใจท่องต่อเนื่องกันไม่ขาดสายสัมมาลหังยดหนอพองหนอเยินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำเราสามารถที่จะท่องได้ตลอดเวลาแต่ในขณะใดที่เราจะต้อง จะต้องพูดเมื่อพูดก็ให้มีสติรู้อยู่ที่คําพูดเมื่อคิดก็ให้มีสติรู้อยู่ที่ความคิดการทำการพูดการคิดให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเราไม่ถนัด ในการที่จะมาท่องบริกรรมภาวนาดังที่กล่าวแล้วเราสามารถที่จะกำหนดสติรู้จิตของเราเฉยอยู่ถ้าจิตของเรานิ่งเฉยเป็นชั่วโมงเราปล่อยปล่อยให้เฉยแต่ถ้าหากว่าจิตเกิดความคิดขึ้นมาเราปล่อยให้คิด แต่ให้มีสติกำหนดตามรู้ความคิดเลื่อยไปถ้าจิตของเรายังไม่มีพลังงานเพียงพอเมื่อคิดขึ้นมาแล้วเรากำหนดรู้จิตจะจุดคิดทันทีเมื่อจิตจุดนิ่งก็ปล่อยให้นิ่งถ้าคิดปล่อยให้คิดเราเอาสติตัวเดียวเท่านั้น เป็นเครื่องกำหนดรู้ความนิ่งและความคิดถ้าพระท่านผู้ใดทำความรู้สึกให้รู้อยู่ในทีเหมือนเหมือนกับเราไม่ได้ตั้งใจจะดูจะรู้แต่เอาความ ร, รู้อยู่โดยธรรมชาติของจิตนั้นรู้เลื่อยไปถ้าทำได้อย่างนี้ เผื่อว่าสมาธิกำลังจะเริ่มแล้วสมาธิจะไม่ถอนแต่ถ้าจิตแสดงอาการสงบลงไปบ้างเราเอาความตั้งใจของเราเข้าไปแทรกสมาธิจะถอนทันทีอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติสมาธิ โดยที่ไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางเราสามารถที่จะปฏิบัติได้ทุกโอกาสแม้เวลาเราทำงานทำการเวลาเราสอนนักเรียนเราก็เอาสติตัวเดียวเท่านั้นกำหนดรู้สิ่งที่เราทำอยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาธรมะขอยืนยันกับท่านทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลายที่เรียนจบสูงๆมาแล้วเคยปฏิบัติสมาธิมาแล้วทั้งนั้นแต่ท่านเองท่านก็ไม่รู้สึกตัวว่าได้ปฏิบัติสมาธิเพราะความไม่เข้าใจหรือไม่ก็ได้ยินได้ฟังวิธีการปฏิบัติสมาธิอยู่ในวงแคบเกินไปแต่ความจริงนั้นเราทำ เราพูดเราคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะรอบคอบอยู่ในขณะที่ทำที่พูดที่คิดนั่นคือการปฏิบัติสมาธิที่ยืนยันว่าท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติสมาธิมาแล้วเพราะเวลาท่านวิจัยงานของท่านท่านใช้ความคิดวกไปเวียนมา ด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ในขณะนั้นท่านกำลังเริ่มปฏิบัติสมาธิพอคิดไปคิดมาเรารู้สึกเคริมเคริมหรือเผลอเผลอไปนิดหนึ่งจิตว่างลงสิ่งที่เราต้องการรู้มันผุดโผล่ขึ้นมานั่นคือปัญญาในสมาธิเพราะฉะนั้น การปฏิบัติสมาธิอย่าไปยึดหลักและวิธีการมากเกินไปแบบและวิธีการที่ท่านบัญญัติเอาไว้ในหมวดกรรมฐานสี่สิบก็ดีหรือการเจรินวิปัสสนาพิจารณารูปนามธาตุนอายตนะก็ดีอันนั้นมันเป็นเพียงวิธีการ เป็นวิธีการที่ท่านเขียนเป็นแบบอย่างเอาไว้เท่านั้นเองแต่เมื่อใครจะต้องจาตตั้งใจปฏิบัติสมาธิอย่างเอาจริงเอาจังเราอาจจะไม่ไปจึดหลักในคำพีก็ได้เราอาจจะบริกรรมภาวนาอย่างอื่นก็ได้เช่นอย่างเราจะค้นคิดพิจารณา ตามตำราท่านให้พิจารณาธาตุขันธ์อาญตนะแต่เราจะาวิชาการที่เราเรียนจบมาทางโลกมาเป็นอารมณ์พิจารณาก็ได้เพราะการทำสมาธิคือทำจิตให้มีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเมื่อจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึก ธรรมชาติของจิตจะต้องเพิ่มพลังงานมากขึ้นทุกทีพลังงานตัวที่สำคัญก็คือจะทำให้เรามีสติเตี่เข้มแข็งและว่องไวขึ้นแม้ว่าจิตจะยังไม่สงบเป็นสมาธิได้ยานได้ชันได้ก็ดีแล้วจะทำให้เกิดสมาธิเมื่อภายหลังจิตของเราจะมั่นคงต่อการประพฤติปฏิบัติอย่างไม่ลดละ สมาธิอันใดที่เราปฏิบัติแล้วมันรู้สึกเบื่องานเบื่อการอยากจะโกนหัวไปบวดอยกเพิ่งไปเชื่อมันผู้ทีป่ปฏิบัติสมาธิได้ดีแล้วเนี่ยจะต้องมีความรักความเคารพ บ, บูชาในบิดามานดาปูย่าตายหย่ตลอดทั้งครูบาอาจารย์ ถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะเกิดมีจิตเมตตาภาณีต่อผู้น้อยเป็นอย่างดีสามีภรรยาอยู่ร่วมกันเมื่อก่อนอาจจะเกิดทะเลาะเบาแวงกันบ่อยๆแต่เมื่อมาปฏิบัติสมาธิได้ดีแล้วการทะเลาะเบาแวงเหล่านั้นก็จะหายไปเองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตของคนเรานี่เป็นอยู่ด้วยพลังของสมาธิ ผู้ที่ทำอะไรจับจดจับโน้นวางนี้ไม่เอาจิงเอาจังคือคนขาดสมาธิแต่ว่าท่านผู้ใดทำอะไรอาศัยสัจจะความจริงใจประพฤติสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสมาธิที่มั่นคงแม้จะยังไม่ถึงสมาธิขนาดได้ยานได้ทานอะไรก็าตาม ตอนที่จะจบนี้จะขอนาเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามาเล่าสู่กันฟังพอเป็นคติเตือนใจท่านเคยคิดไหมว่าพระพุทธเจ้าจะเินกรรมฐานปฏิบัติสมาธิภาวดาเอาอะไรเป็นอารมณ์จิตในการภาวนาสมัยพระพุทธเจ้ายังไม่เกิด ทำบ่าพุทโธก็ไม่มีสัมมาระหังก็ไม่มียศหนอพองหนอก็ไม่มีถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านเอาอะไรเป็นหลักเป็นอารมณ์ในการปฏิบัติสมาธิเราจะได้คำตอบว่าพระพุทธเจ้าอาศัยอารมณ์สองอย่างหนึ่งอารมณ์ทางกายได้แก่ลมหายใจเข้าหายใจออก สองอารมณ์ทางจิตคือความคิดซึ่งมันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติและพระองค์จะเริ่มต้นด้วยการกำหนดรูลมหายใจ <c oughs> การกำหนดรูลมหายใจของพระองค์เพียงแต่ว่ามีพระสติกำหนดรูลมหายใจเข้าหายใจออกเฉยอยู่เท่านั้นเอง ไม่ได้นึกว่าลมหายใจสั้นลมหายใจยาวลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดแล้วก็ไม่ได้บังคับจิตให้เกิดมีความสงบแล้วก็ไม่ได้แต่งลมหายใจให้หยาบให้ละเอียดเพียงแต่มีพระสติกำนดลู่ลมหายใจอยู่อย่างเดียวเท่านั้นทีนี้ในช่วงใดจิตของพระองค์เกิดว่างลงพระองค์ปล่อยให้ว่าง ช่วงใดจิตของพระองค์เกิดความคิดพระองค์ปล่อยให้คิดพระองค์ให้จิตของพระองค์เดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างให้เดินอยู่ในสามจังหวะทีนี้ธรรมชาติของจิตเนี่ยถ้าเวลาอยู่ว่าง ใกับกายยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ต้องรู้ลมหายใจเองโดยอัตโนมัติทีนี้ในเมื่อว่างอยู่สักพักหนึ่งก็จะเกิดความคิดขึ้นมาเคยคิดขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจพระองค์ปฏิบัติโดยอาศัยหลักดังที่กล่าว ที่แรกจิตของพระองค์ก็เดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความบางลมหายใจความคิดความบางอยู่ในสามจังหวะนี้แล้วในที่สุดจิตของพระองค์ก็มาจับลมหายใจจากเหนียวแน่นยึดลมหายใจเป็นอารมณ์ลมหายใจกับสติและความรู้สึกทางจิตไม่ได้ขาคจากกัน จนกระทั่งลมหายใจละเอียดละเอียดลงไปตามขั้นตอนแห่งความสงบของจิตในระยะต้นๆถ้าพระองค์กลัวว่าจิตของพระองค์จะเลยเถิดพอลมหายใจแผ่วเบาลงไปเบาลงไปเบาลงไปพระองค์ก็มันึกว่าลมหายใจยังอยู่ จิตก็หยาบขึ้นมานิดหน่อย <c oughs> แล้วก็ปรากฏเห็นลมหายใจอย่างชัดแจ้งในที่สุดจิตของพระองค์สงบละเอียดเิ่งตามลมหายใจเข้าไปข้างในกายไปสงบนิ่งอยู่ใน่ํำกลางของร่างกายแต่ว่าเปล่งลัศมีออกมารอบกาย ทำให้พระองค์มองเห็นร่างกายเหมือนแก้วโปรง่งมองเห็นอวัยวะภายในกายทั่วหมดในขณะจิตเดียวทั้งอวัยวะภายนอกด้วยในขณะจิตเดียวจะมองเห็นผมขนเละบฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกบ้ามหัวใจตับปอดผังผืดครบอาการ32 ซึ่งในขณะนั้นเิดของพระองค์สงบนิ่งแล้วโล่เห็นทุกสิ่งทุกอย่าง